พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสามสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายนวกะนิบาตชุมนุมธรรมะที่มีเก้าข้อบรรณสกะหมวดห้าสิบวรรคที่หนึ่งสัมโพธวักว่าด้วยการตรัสรู้ตรัสสอนให้ตอบนักบวชศาสนาอื่นถึงธรรมะอันเป็นที่อาศัยของธรรมะที่เป็นฝ่ายให้ตรัสรู้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 สัตว์เหล่าหนึ่งไม่มีสัญญาไม่สวยอารมณ์คือไม่มีเวทนาได้แก่เทพพวกอสัญญาสัตว์6สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงอากาสานัญญาตนะ7สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงวิญญาณัญญาตนะ8สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงอากินจัญญาตนะ9สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ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 คือฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่อันเป็นรูปฌานและอากาสานัญจายตนะจนถึงเนวาสัญญานาสัญ ญ, ญายตนะอันเป็นอรูปฌานสีกับข้อสุดท้ายสัญญาเวทายตานิโรธพระอุทายีถามพระสารีบุตรว่าที่ว่าพระนิพพานเป็นสุขแต่ในพระนิพพานไม่มีเวทนาความรู้สึกอารมณ์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 พึงกล่าวถึงโดยชอบหมายเหตุเนวะสัญญานาสัญญ า, ญญายตนะกับสัญญาเวทาิตานิโรธเรียกว่าอายตนะสองในที่นี้ส่วนในที่อื่นเช่นในมหานิทานสูตรอายตนะสองตรัสแสดงถึงอาสัญญีสัตว์กับเนวะสัญญานาสัญญ า, ญญายตนะแต่ก็พึงทราบว่าในสูตรนั้นแสดงถึงแหล่งเกิด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 คือเข้าอารูปฌานที่หนึ่งถึงสก็ไม่ต้องรับรู้รูปเสียงเป็นต้นได้หมายเหตุข้อความในพระสูตรนี้น่าพิจารณามากพระอานนท์สรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าในที่แอบอัดด้วยกรรมมาคุณห้าแต่พระพุทธเจ้าก็หาช่องว่างได้โดยไม่ต้องรับรู้กรรมมาคุณห้าคือมีให้รู้ให้เห็นแต่ก็ไม่รู้ไม่เห็นได้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 แต่ได้ตรัสธรรมะว่าบุรุษสี่คนมีฝีเท้าเร็วอย่างยอดเยี่ยมออกเดินทางหาที่สุดโลกโดยไม่หยุดเลยแม้มีอายุหนึ่งร้อยปีก็จะตายก่อนไม่ถึงที่สุดโลกที่สุดทุกแล้วตรัสแสดงกรรมคุณห้ามีรูปเป็นต้นที่น่าปรารถนารักใคร่ชอบใจแล้วตรัสถึงภิกษุผู้สงัดจากกรรมสงัดจากอากุโลรธรรม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 บรรลุแปดข้อแรกเป็นโดยปริยายคือโดยอ้อมแต่บรรลุข้อหลังคือสัญญาเวทยยตานิโรธสิ้นอาสวะชื่อว่าเป็นกายสัก ข, ขีเป็นต้นโดยตรงคือนิปริยายพระอุทายถามถึงความหมายของคำว่าสันทิฏฐิกธรรมคือธรรมะที่เห็นได้เอง สันทิติกานิพานนิพานที่เห็นได้เองนิพานคือความดับบริณิพานคือความดับสนิทแต่ทงังคานิพานคือความดับด้วยองค์นั้นทิฏฐิธรรมนิพานนิพานในปัจจุบันพระอนุนตอบว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการที่ภิกษุเข้ารูปฌานสีอรูปฌานสี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 อนุปุพพปัสสัตติคือความระ ง, งับโดยลำดับนิโรธความดับอนุปุพพนิโรธความดับโดยลำดับโดยอธิบายถึงการที่ภิกษุเข้ารูปปัจจานสีอรูปปัจจานสีว่าเป็นโดยอ้อมและเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธว่าเป็นโดยตรง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 คือขันธ์ที่ยึดถือมีรูปเวทนาเป็นต้นสังโยชน์เบื้องต่ำหคือส ก, กิยทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุยึดถือกายของตนความลังเลสงสัยการลูกคลำสีละรสความพอใจในกามความพยาบาทคติหคือทางไปหรือที่ไปหได้แก่นรก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 คือต่อของจิตห้าเจตาโสวินิพันธะหรือเครื่องผูกมัดจิตห้าแล้วตรัสแสดงว่าควรเจริญสติปัฏฐานสีควรเจริญความเพียรชอบสี่ควรเจริญอิทธิบาสีเพื่อละธรรมะเหล่านั้นตรัสว่าควรเจริญสัญญาคือความกำหนดหมาย9้าประการเพื่อละอุปกิเลส6 มีราคาเป็นต้นจบพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสามจุมนุมธรรมะที่มีเจ็ดแปดและเก้าข้อ